นะครับทีนี้ภาพที่เห็นก็คือภาพที่รอยข้อมือของแม่นั้นมีรอยถลอกเพราะว่าแม่ดิ้นมากผมรู้สึกเจ็บปวดแทนความรู้สึกมากนะครับมากแต่แล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแม่คงมาถึงวาระ ส, สุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับจึงได้ขอความเมตตาจากคุณหมอผู้ดูแลแม่ที่จะนําแม่ไปออกจาก IC ห้องไอซไปอยู่ที่ห้องพักผู้ป่วยพิเศษและด้วยความอนุเคราะห์ของคุณหมอคุณแม่ของผมก็ได้ไปอยู่ที่ห้องอผู้ป่วยพิเศษได้นะครับ และสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับคือเล่าเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งแต่เพื่อจะรู้ว่าทําไมผมจึงหันมาสู่ความหมายที่สําคัญที่สัมพันธ์กับรลองข้อคำเขียนผมตั้งแต่จำความได้ที่ลึกได้เนี่ยครับผมนึกไม่ออกว่าผมเคยกอดแม่เมื่อไหร่นะครับครั้งสุดท้าย่ะนะครับและผมเชื่อว่าในชีวิตของผมต้องกอดแม่แน่นอนเมื่อตอนเริ่มเกิดมาบนโลกใบนี้อย่างน้อยตอนเราดื่มนมนะครับ เพราะฉะนั้นตอนที่แม่จะจากผมไปเนี่ยจริงๆผมมีความปรารถนาที่จะกอดแม่นานมากละแต่ไม่กล้าที่จะทำด้วยเหตุว่าเราไม่มีวัฒนธรรมในการกอดกันในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกความปรารถนาที่อยากกอดแม่เนี่ยมันอยู่ในใจแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงวันหนึ่งและจะมีโอกาสได้กอดแม่ในบรรยากาศเช่น <c oughs> นั้นก็คือขณะที่แม่ไปพักอยู่ที่ห้องพักพิเศษนั้นแม่รู้สึกตัวตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในห้องมายืนคุยกับเพื่อนนึงไปเยี่ยมแม่ผม น้องสะพ้ยซึ่งยืนดูแม่อยู่ใกล้ๆนั้นได้เปิดประตูห้องออกมาบอกผมว่าพี่มวลแม่รู้สึกตัวอยากกอดพี่ผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในห้องโดยไม่ถามอะไรมากมายนะครับแล้วก็น้มตัวลงไปกอดแม่นะครับแล้วแม่ก็พยายามที่จะยกมือขึ้นมากอดผมช่วงกันะที่ผมกอดแม่แล้วทบอยู่ที่อกของแม่เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่ว่าแม่กาลังจะจากผมไปผมเลยจึงกล่าวกับแม่ด้วยภาษาอยู่ภายในใจว่าขอให้แม่อย่าได้ห่วงสังขารนี้ ตัวผมจึงเป็นเนื้อตัวของผมนั้นออกมาจากเนื้อตัวของแม่แม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผมมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เนื้อตัวร่างกายที่แม่ให้ผมมานี้เพื่อการปฏิบัติธรรมให้ได้ให้ได้ผลแล้วผมกอดแม่อยู่นานจนกระทั่งสุดท้ายแม่ก็เหมือนกับว่ามือที่วางอยู่บนหลังผมก็เพียงวางเฉยๆไม่มีแรงกดมาที่ตัวผมอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็จากผมไปนะครับ เมื่อผมกลับมาที่มหาลาัยเชียงใหม่หลังจากที่ทําชาปนกิจศพแม่ของผมจบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีความคิดว่าผมจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแม่และด้วยความคิดที่ว่าผมอยากจะปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคําเขียนและการที่จะปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นเมื่อปรึกษาเพื่อนกันเขาก็เห็นด้วยที่จะนิมนต์หลวงพ่อคําเขียนเราจึงได้มีการจัดเตรียมทมําบุญให้กับแม่ด้วยการกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลไปสแสดงธรรมนะครับสแสดงธรรมที่วัดสวนดอกนะครับ แล้วหลังจากฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ไผ่สารแล้วเราก็ริบลงพ่อคำเขียนไปในคณะเดียวกันเนี่ยนะครับไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดอุโมงค์นะครับในเวลาตอนเย็นในวันที่ผมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนอย่างเป็นกิ จ, จเป็นทางการในครั้งนั้นน่ยนะครับผมตั้งจิตปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้กับแม่แต่สิ่งที่มันเป็นความมหัศจรรย์อาจจะเป็นเพราะผมมีจิตเจตจำนงอย่างแรงกล้ามีศรัทธาอย่างมุ่งมั่น ผมยังจําภาพของบรรยากาศได้ดีที่ภาษาลาปฏิบัติธรรมที่วัดอุโมงนั้นเมื่อเรานั่งกันพร้อมแล้วมีเพื่อนผมจํานวนประมาณสักสามสิบคนนะครับรวมกันและประมาณนี้นะครับหลวงพ่อนั่งอยู่ข้างหน้านะครับมีพระอาจารย์ด้วยกนเป็นผู้ช่วยหลวงพ่อด้วยนั่งข้างๆหลวงพ่อเริ่มด้วยการเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเอ่ยคําพูดออกมาเป็นเชิงคําถามว่าตอนนี้มือของพวกเราวางอยู่ตรงไหนทันทีที่หลวงพ่อพูดเสร็จเราไม่ทันได้ตอบเลยครับหลวงพ่อพูดต่อบอกว่า มือคือกายของเราไม่จําเป็นต้องคิดเราจิตก็รู้ได้ผมได้ยินคำพูดของหลวงพ่อโดยความหมายนี้รู้สึกตื่นตะลึงกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทันทีว่าใช่สิมือคือกายของเราซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่นักขณะนั้นเราไม่จําเป็นต้องคิดว่ามืออยู่ที่ไหนจิตสามารถรู้ได้ทันทีจิตที่มันเกิดภาวะของความรู้สึกได้ซึ่งความหมายว่าผมหลงอยู่ในโลกของความคิดมาเป็นเวลานาน ความที่ผมเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยจึงทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าความคิดคือหนทางที่จะนําไปสู่ความรู้และวันนั้นมันเหมือนกับเป็นการกระตุกผมให้กลับมาสู่ประเด็นที่สําคัญผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านแนะนํานะครับในการสร้างจังหวะทั้งสิบถี่จังหวะในเวลาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนองคืนนั้นด้วยความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากและความรู้สึกมหัศจรรย์นี้่นะครับแม้กระตั้งกราบลาหลวงพ่อในวันถัดมาแล้ว ผมก็ตั้งกิตกำหนดหมายว่าผมคงจะต้องปฏิบัติธรรมตามแนวที่หลวงพ่อบอกนี้ในมิติที่จริงจังมากขึ้นกว่าเดิมนี่จึงเป็นเหตุที่มาทําว่าในปี2548นะครับซึ่งจริงๆผมมีความปรารถนาที่จะลาออกจากราชการอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาผมมีความคิดอยู่แล้วในความหมายในเชิงความคิรู้สึกส่วนตัวว่าผมจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตเพื่อการภาวนาแล้ว ความหมายที่เกิดขึ้นนี่นะครับเมื่อผมออกจากราชการผมจึงใช้สิ่งที่ผมเรียนรู้จากหลวงพ่อคําเขียนแต่ไม่ได้นั่งสร้างจังหวะสิบธีจังหวะในขณะนั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งผมคิดว่าผมจะสร้างจังหวะในการก้าวเดินทีละก้าวและผมจะใช้วิธีการที่จะทําแบบที่หลวงพ่อบอกผมว่าจิตสามารถรู้ายได้โดยไม่ต้องคิดและผมก็ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับโดยที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเล่าตรงนี้เพียงเพื่อจะยืนยันความหมายอันหนึ่ง เพื่อเป็นการบูชาครูนะครับตอดแทนคุณของหลวงพ่อคําเขียนสองวันที่ผ่านมาทุกก้าวที่ผมก้าวเดินไปนะครับจิตผมระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อที่สามารถทําให้ผมก้าวมาถึงวันนี้ได้ตอนที่ผมก้าวออกจากบ้านผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะก้าวไปถึงไหนและผมจะจบชีวิตเมื่อไหร่แต่ผมมีความรู้สึกได้ว่าการก้าวไปตามที่หลวงพ่อแนะนําผมไว้ในความหมายเชิงจิตใจเนี่ยนะครับว่าผู้ซื่อเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผม ก้าไปและผมก็จะมีความหมายเกิดขึ้นในใจผมเล่าตรงนี้เพียงเพื่อจะยืนยันความรู้สึกที่อยากจะ ก, กล่าวสิ่งนี้ต่อหน้าญาติธรรมครําว่าญาติธรรมในความหมายของผมก็คือเรามีครูคือหลวงพ่ออันเป็นศูนย์รวมของเราและเรามีความยึดโยงผูกพันกันโดยธรรมะที่หลวงพ่อสอนเรานะครับผมมาเดินในปีนี้ก็ได้ความหมายที่ปรารถนาจากคารวะทดแทนคุณของหลวงพ่อและก็ตั้งกิตกําหนดหมายว่าจะใช้ร่างกายนี้นะครับเพื่อที่จะทํากิจต่างๆเพื่อยืนยัน ในความหมายที่หลวงพ่อได้กล่าวและให้ผมได้รับรู้ไว้นะครับก็เป็นบทเรื่องต้นนะครับที่จะทําให้ผมมีความรู้สึกว่าพวกเราที่มานั่งอยู่ในที่นี้เราเป็นญาติธรรมกันผมจึงกล่าวคําว่าคาราวะญาติธรรมทุกท่านญาติธรรมซึ่งมีหลวงพ่อถ้าบอกว่าเป็นเหมือนกับพ่อเราก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะวันนี้เรามาคุยกันในฐานะที่เป็นพี่น้องมีประเด็นอะไรที่คิดว่าผมจะสามารถคลี่คลายเมาากกื่อตะกี้ตอนที่นั่งอยู่นะครับก็มีญาติธรรมที่ท่านใกล้ผม ตัวท่านแล้วแพราะท่านมอบเชื้อให้ผมด้วยนะครับเพราะรู้ว่าผมหนาวผมขอขอบคุณเชื้ อ, อที่ทำให้ผมอุ่นขึ้นมาอย่างยิ่งเลยครับแล้วเมือ่อกี้ท่านถามผมจะก่อนเลยนะครับว่าฝากคําถามไว้ก่อนเพราะเป็นนั่งใกล้กันอยู่แล้วถามผมว่าในช่วงที่ผมเดินนั้นผมอดข้าวติดต่อกันเป็นกี่มื้อผมไม่ได้นับเป็นมื้อครับแต่เวลาอดจริงๆที่อดต่อเนื่องกันเป็นวันที่สองผมไปทานอาหารได้ในวันที่สามนะครับปกติผมไม่ได้สนใจว่าจะต้องทานอาหารนะครับ และผมก็เริ่มมีความเบิกบานกับความหมายของกายที่เมื่อขาดอาหารแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าขาดอาหารวันที่หนึ่งมันเป็นยังไงวันที่สองเป็นยังไงและผมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีความสุขที่จะได้รู้ว่าถ้าเป็นวันที่สามมันเป็นยังไงแต่บังเอิญว่าวันที่สามก็มีคนเอาอาหารมาให้ผมเสียผมเลยไม่ได้รู้ว่าวันที่สามมันเป็นยังไงและเวลาอดข้าวครั้งที่สองที่สามไปอีกผมก็มีความรู้สึกอีกนะครับว่าถ้าอดข้าวไปสักสี่วัน จากที่เคยอด3าวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็สูงสุดแค่3วันเองครับไม่ได้มีปัญหาในการอดข้าวเลยนะครับที่สําคัญคือขอโทษนะครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าการอดข้าวในภาวะที่จิตใจเข้าเราอยู่กับอารมณ์ซึ่งเป็นปัจจุบันรับรู้สภาวะทางกายทุกอย่างนะครับว่าเมื่อเราขาดข้าวขาดน้ําร่างกายจะเป็นยังไงเรารู้เลยครับคว า, ามหมายของอาหารขอโทษนะครับด้วยความสัจจริงผมเคยบวชเป็นพระภิกษุ ทุกมือทุกคราวตอนที่เป็นพระภิกษุก่อนจะฉันปัตตหานก็พิจารณาอภินิหปัจเจวอคข้อบินทบาตและในความหมายจริงๆที่คิดได้ตอนที่ท่องเป็นภาษาบาลีก็แปลได้ด้วยเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้เกิดความลึกซึ้งมากเท่ากับตอนที่พบอดข้าวไปสองวันแล้ววันหนึ่งมีคุณยายแก่ที่ที่ท่นเมตตาผมครับผมเป็นนอนหมดสภาพอยู่ริมแม่น้าแลวมีเด็กมายืนดูผมสามคน ผมได้ความรู้สึกที่เกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าผมไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนใครและผมรู้สึกผิดมากเมื่อผมเดินไปแล้วเด็กตกใจวิ่งหนีผมเพราะฉะนั้นผมจึงตั้งจิตปรารถนาว่าถ้าเจอเด็กเมื่อใดผมจะทําใจให้เกิดความหมายว่าผมไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนเขาผมทําอะไรได้ผมจะทําเพื่อให้เขาหายความกลัวพราะเมื่อเห็นเด็กพยามายืนดูผมอยู่ห่างๆผมยิงลุกขึ้นนั่งแล้วก็ชวนเขาคุยถามเขาว่าไม่ไปโรงเรียนกันหรือประมาณนี้นะครับและสุดท้ายเด็ก3คนนั้นเมื่อเห็นผมพูดจารู้เรื่องเขาจึงเดินเข้ามาใกล้ผม แล้วเขาก็คุยกับผมถามผมว่าลุงมาจากไหนลุงจะไปไหนทําไมมานอนอยู่ที่นี่ประมาณนี้นะครับผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมเดินทางมาแล้วสุดท้ายก็บอกเขาว่าเดินมาจากเชียงใหม่แล้วเด็กก็ถามผมว่าประมาณประมาณว่าเดินจะไปไหนทำอย่างไรประมาณนี้แล้วคุณยายซึ่งคิดว่าคงเป็นยายของเด็กทั้ง3าคนนั้นท่านคงอยู่แถวนั้นอยู่แล้วคงเห็นหลานมาคุยกับคนแปลกหน้าจึงเดินมาใกล้ๆเพื่อแอบฟังว่าผมคุยกับหลานของเขาว่าอย่างไรในช่วงที่มาแอบฟังนั้นคงเป็นช่วงที่เด็กถามผมในความหมายว่าลุงกินข้าวที่ไหน ถ้าลุงไม่มีตังค์ตอนนั้นผมบอกผมไม่มีตังค์นะครับผมบอกวก็ลุงก็ไม่รู้ว่าลุงจะได้กินที่ไหนเด็กก็ถามผมประมาณว่าแล้วลุงไม่หิวข้าวเลยแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยถามว่าลุงหิวเด็กก็ถามแต่ว่าแล้วลุงทําอย่างไรลุงก็ถือโอกาสได้ทําสิ่งที่ลุงไม่เคยทําเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านเมื่อลุงหิวลุงก็หาข้าวกินตอนมาอยู่เช่นนี้เมื่อลุงหิวลุงก็เรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจว่าความหิวมันเป็นอย่างไรตอนนั้นคุณยายท่านจึงถามผมขึ้นมาแทรกเด็กหลานท่านนะครับว่าแล้ววันนี้กินอะไรบ้างหรือยัง ผมตอบว่ายัางครับตามความเป็นจริงท่านบอกว่าอย่าไปไหนนะอยู่ที่นี่จะหาข้าวให้กินแล้วท่านก็เดินจากผมไปไม่นานท่านกลับมาหาผมพร้อมกับจานข้าวนะครับที่มีข้าวอยู่ในจานร้รอนๆที่เห็นว่าเป็นร้อนแล้วมันมีไอของข้าวให้ผมเห็นด้วยสายตาได้นะครับท่านกล่าวกับผมบอกว่าข้าวสุกแล้วแต่แกงยังไม่เสร็จอย่าไปไหนอย่าไปไหนให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะหาข้าวมาให้กินท่านจากผมไปครั้งที่สอง ทั้งที่สามเล่กลับมาอีกไม่นานท่านกลับมาพร้อมจานข้าวที่มีแกงปลาดุกราดอยู่บนข้าวท่านยื่นจานข้าวให้ผมมีช้อนอยู่ด้วยนะครับว่ากินข้าวก่อนแกงปลาดุกร้อนๆผมยกมือไหว้ท่านแล้วก็รับจานข้าวมาด้วยความรู้ว่าท่านต้องการให้ผมกินข้าวเพราะท่านกูลีกูจอและก็ทุรนทุรายา ก, กลับมาหาผมสองครั้งมันกลัวจะผมหนีไปทั้งที่ผมไม่มีแรงจะหนีแล้วตอนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกันนะที่ผมตักข้าวเคี้ยวกลืนลงล ง, ลงคอนะครับ ผมมีความรู้สึกอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้สัมผัสเพียงแค่รสชาติของแกงปลาดุกหรือรสชาติของข้าวมันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะพูดออกมาเป็นคำคำนะครับแต่ผมมีน้ำตาไหลออกมาขณะที่กินข้าวความหิวโหวยที่เบียดเบียนผมมาสองวันมันคลายลงผมไม่รู้จะกลา่าวเช่นไรเมื่อผมกินข้าวจนหมด ผมวางจานพระยายท่านไม่ได้จากผมไปนะท่านกินดูผมกินข้าวแล้วท่านก็คงคิดว่าผมเป็นคนดีหรือคนบ้าอย่าแบบประมาณเนี้นะเพราะว่ากินข้าวไปก็ร้องไห้ไปประมาณนี้นะครับแต่จริงหนึ่งที่ที่ผมเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือความรู้สึกสั่นสะเทือนขึ้นมาในใจความหมายของผมคืออะไรรู้ไหมครับความหมายของผมคือผมไม่เคยเห็นค่าของอาหารที่ผมเคี้ยวกลืนลงไปเป็นเนื้อเป็นตัวผมมากเท่ากับครั้งนั้นอาหารจึงมันแปลงสภาพของเนื้อตัวร่างกายผมซึ่งอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรง ให้เป็นร่างกายที่พลิกฟื้นคืนกลับมาสู่สภาวะที่ดูเหมือนจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอีกผมจําได้ว่าเมื่อเกินข้าวจบเสร็จลงผมวางจานลกยกมือขึ้นไหว้ท่านคําพูดที่ออกมาจากปากผมไม่ได้เป็นคําพูดที่ประดิษฐ์คิดจากคําพูดจึงประดิษฐ์ด้วยความคิดแนะแต่ออกมาจากใจที่ผมใช้คําพูดประมาณๆว่าขอบคุณแม่มากที่ให้ชีวิตผมข้าวนี้คือชีวิตของผมผมกินข้าวมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันมือ้อ ถ้าใครมาถามผมว่ากินข้าวกับอะไรบ้างผมลืมไปหมดเสียแล้วแต่ข้าวแกงปลาดุกของแม่ผมยังไม่ลืมไปตลอดทั้งชีวิตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นมันเห็นความหมายของอาหารที่มันแปลงสภาพมาเป็นเนื้อเป็นตัวแปลงสภาพมาเป็นความหมายในชีวิตเรานี่เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยพิจารณาอาหารแต่การพิจารณามันก็เป็นสักเคียงแกะกล่าวเป็นวจีกรรม แตส่วนที่เป็นมโนกรรมที่อย่าล็งเห็นว่าอาหารนี้มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นมันไม่ค่อยเกิดอย่างจริงจังนกที่พูดเช่นนี้เพียงแค่พูดเพื่อจะตอบคำถามของญาติธรรมที่ถามผมเมื่อกี้นะครับว่าผมอดอาหารติดต่อกันจริงๆก็เพียงแค่สามวันครับแล้วก็เป็นการอดอาหารที่ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ดีกับการที่มีชีวิตและได้กินอาหารเพราะทุกครั้งที่ผมได้กินอาหารมักจะเป็นการได้กินอาหารในมิติที่มีความหมายที่ลึก ที่ซับซ้อนผูกพันกับเพื่อนมนุษย์ตลอดเวลานะครับคือผมไม่ได้กินอาหารเพราะผมไปซื้ออาหารกินไม่ได้กินอาหารเพราะผมไปขอใครกินแต่ได้กินอาหารจากความหมายที่คล้ายๆเหมือนกับที่คุณยายที่ผมพูดถึงนี้ให้ผมกินนะครับก็เป็นความหมายที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านที่มีความ อ, าอยากรู้สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยจึงทําให้ผมเรียนรู้ว่าโอ้การกินอาหารนี้นะครับถ้าเรามีจิต ที่เรานิ่งสงบ พ, พอเราก็สามารถรู้ว่าคําข้าวทุกคําที่เราเคี้ยวกลืนลงไปเนี่ยครับมันมีความหมายอย่างไรในชีวิตเราและสุดท้ายมันก็คือชีวิตนะครับมันคือชีวิตตอนจำใหมผมเป็นสมณเณรแล้วก็มีปัญหาถามเวลาสอบนักธรรมที่ถามว่าอะไรเอ่ยคือความเป็นหนึ่งเนี่ยและต้องตอบว่าอาหารเนี่ยผมก็ตอบไปที่ผมท่องกันนะครับแต่ผมไม่เคยได้รู้ชิงเหมือนก็ตอนที่ผมแก่แล้วเลยครับก็ตอบคําถามนี้ก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้มีใคร ถามสดๆนะครับตอนนี้นั่งไต่กันแล้วท่านมอบเชื้อไหมให้ผมครับ ผ, ผมเลยตอบไปซะก่อนอผมไม่ต้องรอถึงสามสิบนาทีนะครับผมคิดว่าเวลาที่จะมีความหมายสําหรับผมก็คือการได้สนทนากับท่านแต่อยากจะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่ า, าผมมีอะไรหลายอย่างนะครับที่อยากพูดกับทุกท่านที่เมื่อะกี้พระอาจารย์ไพศาลพูดถึงเรื่องการเดินนะครับผมเองอยากจะยืนยันที่พระอาจารย์ไพศาลพูดครับผมออกจากบ้านเมื่อวันที่ยี่สิบ เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2548ในการออกจากบ้านในครั้งนั้นนะครับผมไม่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าการออกจากบ้านในครั้งนั้นคือตอนที่ออกในคิดนะครับแต่คิดในทางร้ายครับคิดในทางร้ายคือหมายความว่าตอนนั้นผมยกําลังพยายามจะออกจากความคิดแต่ความคิดมันยังเต็มอยู่ในในใจผมนะผมรู้จึกตัวได้ว่าวันที่ผมออกจากบ้านเมื่อวันเช้ามืดวันที่17 พฤศจิกายนนั้นผมมีความคิดว่าชีวิตผมคงจะจบผมคงไม่ได้กลับไปบ้านอีกเพราะฉนั้นตอนที่ผมกอดภรรยาผมผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายว่านี้เป็นการกอดผู้หญิงอันเป็นสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายผมจึงกอดภระระยาผมจะแน่นและด้วความที่ผมกอดเธอแน่นเธอก็กอดผมแน่นด้วยและสุดท้ายเราเลยกอดกันแน่นที่สุดในชีวิตแห่งการที่ได้เป็นสามีภระระยากันมากอดยังกระทั้งรู้สึกเหมือนกับว่าแรงมีเท่าไหร่เรากอดกันให้จนหมดแรงะครับ และสุดท้ายเ่อผมคลายออกจากภรรยาผมก็ทําได้เพียงแค่กล่าวขอบคุณเธอว่าขอบคุณมากที่ให้โอกาสแล้วผมก็ออกจากบ้านผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สําคัญผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในที่นี้เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางของผมหลังจากที่ผมเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงส ม, มุยได้แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเดินทางอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลานานกวมปี หลังจากเดินทางกลับมาจากอินเดียก็มาเดินทางสู่สันติปัตตนีหลังจากเดินทางสู่สันติปัตตนีก็ไปเดินทางตามได้สัตยาย่งสายน้ําจากต้นน้ําปิงมาที่พระอาจารย์ไปสารกล่าวแล้วนะครับจนออกปากน้ําแต่การเดินทางครั้งวิเศจันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการเดินทางที่ประเทศทิเบตที่เดินจ่าริกรอบภูเขาไกรลาศที่ประเทศทิเบตเป็นการเดินทางที่ผมมีความรู้สึกว่าผมบีบุญที่ได้มีโอกาสไปเดินทางในครั้งนั้น ว่าในการเดินทางครั้งนั้นเป็นการเดินทางในความหมายที่ผมรู้สึกได้เป็นความหมายของชีวิตที่กําลังจะจบสิ้นและเป็นการจบสิ้นที่ผมรู้สึกเบิกบานแจ่มใสไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังจะจบฮะแต่เป็นความสุขเป็นที่สุดที่เราจะได้จบชีวิตแต่ก็เหมือนมีบุญบันดาลอยงไงก็ไม่ทราบก็ไม่จบครับตอนที่เดินผ่านเตอรมาลาซึ่งเป็นจุดสูงสุดและยากที่สุดได้เนี่ยนะครับแล้วมีคนทิ้ง เสื้อผ้าอาภรบางส่วนไว้ที่นั่นเพื่อหมายความถึงว่าเขาได้จบชีวิตนี้แล้วไปเกิดใหม่แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มีอะไรจะทิ้งผมได้แต่ยืนดูสิ่งที่มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งจุดสูงสุดแห่งการเดินผ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่คือความหมายของการเดินทางครั้งหนึ่งที่สําคัญนะครับมีรายละเอียดหลายเรื่อง ท, ที่ที่ที่อยากเล่าแต่เวลาคงไม่อาํานวยให้ผมเล่าเรื่องการเดินทางในประเทศที่เบสนะครับก็เอาเป็นว่าผมเดินทางครั้งล่าสุดนะครับนี่เป็นการเดินทางที่แปลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่ได้เดินทางเพราะอยากเดินทาง แต่วันดีคืนดีก็มีคนมาขอให้ผมช่วยเดินให้เขาดูหน่อยนะครับคำว่าขอให้ดูหน่อยก็คือหมายความบริษัททีวีบูรพาเขามาตาลกกับผมว่าเขาออกอากาศรายการคนค้นคนมาครบสิปีมีความประสงค์ที่จะทํารายการคน ค, นคน้นภาคพิเศษชื่อว่าคนค้นโลกนะครับขอให้ผมช่วยเป็นคนค้นโลกให้เขาด้วยเขาบอกว่าจะมีคนที่มาช่วยค้นโลกทั้งหมด12คนผมเป็นหนึ่งในสิบสอคนที่เขาเขาคิดว่าควรจะเดินทางคนโลก ผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะคนไปขอก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็บอกว่าถ้าผมจะทําอะไรได้และสิ่งนั้นจะมีคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ยินดีจะทําสุดท้ายผมก็ต้องไปเดินทางขึ้นชูหิมาลัยในประเทศเนปาลตอนที่เดินทางเพื่อค้นโลกผมก็ไม่รู้ว่าจะค้นหาความหมายอะไรนะครับด้วยความสัตย์จริงเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่ผมสามารถจะค้นหาได้แต่จิตที่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินในความหมายที่ที่ไม่เป็นส่วนตัวครับ นึกถึงภาพนะครับเราเดินไปเรามีกล้องทีวีตามหลังเราเนี่ย ไ, ไม่ส่วนตัวแน่นอนนะครับและความรู้สึกที่ว่ามีคนกําลังแอบดูเราเนี่ยนะครับมันมีความหมายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจถ้าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งที่ผมเดินหรือเราเดินธรรมญาิตากันวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีคนแอบดูเราอยู่นะครับจะแอบดูด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีความมหาศจา์คือตอนที่ผมเดินขึ้นไปถึงจุดที่มันจุดสูงที่เราจะเห็นยอดธีมาลัยที่มันสูงเกินกว่า 8,000 เมตรจํานวนหลายยอดเนี่ยนะครับคือหิมาลัยมันมีสูงกว่า 8,000 เมตรนี่หลายยอดนะครับแต่ยอดที่สูงสุดคือยอดเอเวอเรสต์แต่ยอดที่ไม่สูงเท่าเอเวอเรสต์แต่ก็ใกล้ๆกันนะระดับ 8,000 กว่าขึ้นไปนี่มีหลายยอดและผมมีความรู้อยู่แล้วว่าจะไปยืนอยู่ตรงยอดภูเขาลูกหนึ่งแล้วเราจะเห็นยอดหิมาลัยที่มันสูงกว่า 8,000 เมตรจำนวนหลายยอดพร้อมๆกันคือหันไปซ้ายฝั่หันไปหน้าหลังก็จะเห็นประมาณนี้นะครับและผมบอกกับทางทีวีบูรพาว่าผมอยากจะเดินขึ้นไปชมหิมาลัยบนนั้ล แลที่ยังไม่รู้ว่าทําไมต้องมายืนตรงนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดแล้วเพื่อจะจบลงเพื่อให้มีคําถามคือวันที่ผมเดินขึ้นไปยอดภูเขอเพื่อจะไปชมยอดหิมาลัยที่สูงถึง 8,000 เมตรเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเนี่ย น, นะครับเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อจะเตรียมตัวออกเดินเพื่อจะไปขึ้นยอดภูเขานั้เกินก่อนรุ่งสางผมต้องออกจากที่พักเริ่มเดินประมาณสักตีสี่แล้วก็เดินขอโทษนะครับเดินขึ้นภูเขาที่สูงชัน ผมมีร่างกายอ่อนล้าเพราะเดินมาหลายวันแล้วแต่แก่แล้วมีความรู้สึกเหมือนกําลังจะขาดใจตายแต่เราก็หยุดไม่ได้เพราะราต้องเดินให้ไปถึงจอนนั้นก่อนรุ่งสางเพราะว่าการชมหิมะลัยต้องชมในเวลาที่มันมีแสงตะวันส่องมากระทบยอดหิมะไหลเรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับแต่แสงดวงอาทิตย์มันมาส่องและหิมะที่มันขาวเนี่ยมันจะแปลงสีเป็นสีทองมันจะสวยมากในความหมายของคนที่ไปชมยอดหิมะไหล และผมก็มีความรู้สึกว่าผมจะหยุดเดินไม่ได้เพราะถ้าหยุดแล้วเดีย๋ยวจะไม่ถึงและที่สําคัญคือผมตั้งใจไว้แล้วผมจะเดินขึ้นในทันที่จะชมและขณะที่เดินไปเนี่ยผมกําลังจะขอโทษหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกก็เดินอย่างช้าๆนะครับพักไปในตัวคือเดินไปยกเท้าซ้ายขึ้นและขณะที่เอาไปวางก็พักเส้นนิดหนึ่งอย่าเพิ่งยกเท้าขวา ให้มันรู้สึกพักแล้วก็ยกชาจะไม่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราหยุดนะครับแต่จริงๆเราหยุดไปในตัวคือเดินกับหยุดนี่เป็นไปในตัวเพราะกล้องทีวีจับอยู่ด้วยไอ้กล้องทีวีจับเนี่ยมันมีปัญหาครับปัญหาทําให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายอะไรบางอย่างว่าผมเดินขึ้นไปถึงยอดภูเขาที่จุดที่ว่าเนี่ยนะครับผมกําลังจะจบหายใจเกือบไม่ออกแล้วแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมหลับตาลงด้วยความรู้สึกเหนื่อยเหมือนใจฉาด ละทันทีที่ผมลืมตาขึ้นและมองไปรอบตัวเนี่ยครับยอดม้าลายสีทองอยู่รอบตัวผมน้ำตาผมไหลออกมาเแื้อตัวผมตัวสั่นน้องผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เดินตามผมอที่เขาเดินตามผมจริงๆริงเขาเพิ่งมาทํางานทีวีบุรพาเองแต่ว่าทางบริษัทเขารู้ว่าน้องคนนี้เป็นลูกศิษย์ผมมาเก่าเพราะเขาจบสื่อสารมวลชนจากม้าลายเชียงใหม่แล้วเขาเคยเรียนหนังสือกับผมเขาเลยให้เป็นคนเดินตามผม แล้วผมก็เป็นคนแอบกระซิบเขามาแต่เรื่องๆแล้วบอกว่าไฝ่ายถ้าอาจารย์เป็นอะไรไปไฝ่ายอย่าถือว่าเป็นความผิดช่วยบอกคนทุกๆคนด้วยว่านี่เป็นความปรารถนาของอาจารย์นะความรู้สึกของผมก็คือถ้าผมจะตายลงก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วความตายผมจะได้เป็นสาธารณะ <c oughs> จะได้ไม่เป็นสิ่งปกปิดเหมือนกับที่เราพยายามปกปิดความตายกันอยู่ในปัจจุบันนี้พ้าอาจารย่านที่ผมเดินไปแล้วฝอไฝ่เขาเห็นผมน้าตาไหลตัวสั่นเขามาถามผมว่าอาจารย์โอเคไหมอาจารย์โอเคไหมผมไปยักหน้าว่าโอเค ไปยักหน้าโอเคก็คพูดไม่ออกครับพอผมพูดได้ผมบอกฝ่ายว่าฝ่ายทำไดอารี่เลยนะคําว่าทําไดารี่นี่เป็นภาษาของไอ ท, ทีมถ่ายทํารายการนะคือเวลาผมเดินไปทุกๆวันเนี่ยเขาจะมาถามผมว่าอาจารย์พร้อมจะทําไดารี่ตอนนี้ไหมคือพอไปเดินถึงแล้วมันเย็นแล้วเนี่ยผมเหนื่อยอยู่เนี่ยคือเขาอยากจะให้ผมพูดอะไรกับกล้องอะ่ะเพื่อจะบอกว่าผมรู้สึกอะไรบ้างผมเห็นอะไรบ้างในวันนี้เพิ่งปกติเขาจะเป็นคนมาถามผม และผมบอกว่าเดี๋ยวผมพักหน่อยก่อนไหมหรือผมอาบน้ําก่อนประมาณนี้ยแต่ตอนนั้นมันต้อเป็นตอนเช้าเลยนะแล้วผมเป็นข่อยพูดว่าผมอยากทำไดอารี่เพราะตอนนั้นผมมีความรู้สึกได้ว่าความหมายของโลกใบนี้ที่ปรากฏขึ้นในจิตผมตอนขณะ ท, ที่ยืนอยู่และเนื้อตัวสันเนี่ยผมรู้แล้วผมควรจะบอกอะไรกับเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้ปรากฏพระไฝ่พระก็ได้ยินคําพูดนี้ของผมเขากรีกูจอไปเรียกเพื่อนทึ่งเป็นช่างกล้อง ให้มาตั้งกล้องเพื่อจะบอกให้รู้ว่าอาจารย์ประมวลกําลังอยากจะพูดเรับประมาณนี้ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนในกาะเดินทางมาหลายวันกันแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเมื่อกล้องมาตั้งแล้วผมยืนอยู่หน้ากล้องแล้วเขาก็ส่งสัญญาณให้ผมพูดปรากฏผมพูดไม่ออกผมทําได้แค่อร้องไห้ต่อหน้ากล้องคือน้ําตาไหลออกมาที่มาร้องไห้เพราะเขาส่งทิศช่ว้ผมเช็ดน้ําตาแล้วผมก็เช็ดน้ํามูกไปในตัวด้วยเพราะผมน้ํามูกไหลออกมาผม พูดไม่ออกเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความหมายที่มีอยู่ในใจผมผมไม่สามารถแปลเป็นคําพูดได้ผมไม่สามารถทําให้ความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกเพื่อนมนุษย์นั้นมันเป็นคําพูดเป็นคําคําได้จริงๆผมอยากจะบอกเพียงแค่ว่าชีวิตของพวกเราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินขึ้นชู่ยอดภูเขาแค่นั้นนะครับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับต้องใช้ร่างกายนี้ เพื่อผ่านความยากลําบากต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเราไม่มีโอกาสหรอกครับที่จะขึ้นไปสู่ที่สูงได้ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายนี้ด้วยความเพียรพยายามและที่สําคัญนะครับบางครั้งเราเหมือนกับปันหนึ่งว่าจะขาดใจตายแต่เราก็หยุดไม่ได้เราต้องไปทั้งหน้าเราต้องก้าวเดินไปแต่รายละเอียดผมก็ไม่รู้จะแปลงควมรู้สึกผมเป็นยังเอาเป็นว่าผมเล่าว่านี่คือเป็นการเดินทางอ่าเมื่อช่วงอเมืม่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการเดินทางครั้งล่าสุด นะครับารายละเอียดบางอย่างคงไปปรากฏอยู่ในรายการคนค้นโลกแล้วแต่ก็เห็นเขาบอกว่าอาเขาออกไปสีตอนตามที่เคยคิดไว้แต่มันไม่จบหรอกเพราะเขจะขอออกอีกสี่ตอนเพราะว่ารายละเอียดมันมีอยู่อีกเยอะนะครับผมก็เลยจึงคิดว่าผมมาคุยกับพวกเราในวันนี้ถ้าใครมีอะไรที่คิดว่าในเวลาจํากัดนี้มีประเด็นที่อยากจะชวนผมคุยก็ขอข อ, ขอบคุณและก็เรียนเชิญเลยครับ <c oughs> ผมจู่โจมไปหรือเปล่าครับมีไหมคะนี่ครับ เลยนะคะอะไงอครับผมผมขออนุ ญ, ญาตมไมเนถายได้ไมขออนุญาตเรียกตัวเองว่าแม่เนเนนะคะว่าง่ายๆตอนนี้แม่เนเนกำลังมีความทุกข์มาก จากช่วงก่อนที่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกตัวเองเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเรื่องเราส่วนตัวตัวเองปล่อยวางได้เยอะอนะแต่พอมาทํางานแล้วก็เจอปัญหาเด็กๆยากจนที่ดูแลอยู่เนี่ยปัญหาของเด็กๆเราในกลุ่มยากจนเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆไม่แน่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนตัวเองถูกทดสอบนะอาจารย์ เจอเคสี่ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้เหนื่อยอะเหนื่อยแล้วกําลังท้อแท้สิ้นหวังขาดกําลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อไปอ่ะจายนจานช่วยให้กําลังใจแม่เล น, นด้วยขอบพระคุณแม่เล น, นมากผมถอยกลับไปที่เลนครับเพื่อจะได้ขอบพระคุณที่มีคําถามนี้ให้ผมนะครับ ก็จริงจริงแค่จะตอบสั้นๆคงตอบเพียงว่าแม่เลนเกิดมาเพื่อจะทําสิ่งนี้ะครับความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับเป็นที่น่าเสียดายที่พวกเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนและถูกปลูกฝังเรื่องศรัทธาแต่เราก็ทําได้เพียงแค่ท่องจําคําว่าศรัทธาและก็มีความหมายของศรัทธาเจอความจากความคิดนะครับผมอยากให้แม่เลนกลับไปสู่ประเด็นของเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือมันพูดยากมากนะครับปัจจุบันนี้ ขอโทษนะครับเมื่อก่อนสมัยผมเป็นอาจารย์สอนพุทธปรัชญาเนี่ยผมอธิบายเรื่องศรัทธาเนี่ยพิเดียร์เดียวหรือชั่วโมงเดียวไม่จบนะครับต้องกับประมาณก็สองหรือสชั่วโมงเพราะผมรู้สึกเป็นเรื่องสําคัญในพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายศรัทธาแต่ผมก็ไม่สามารถอธิบายยาวว่ายาวได้ผมมีความรู้สึกเพียงแค่ว่าผมมีความไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่มันเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาตินี่อย่างที่สุดสิ่งที่เราท่อง ก, กันมาว่ากรรมสัทธาวิปากศรัทธากร ร, รมชกตาศรัทธาโพธิศรัทธาเนี่ยครับ มันมีความหมาย ท, ที่ท่วมทับอยู่ในใจผมมันไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความรู้สึกผมอยากจะกราบเรียนแม่เนนอย่างนี้ครับถ้าเราเข้าใจประเด็นเรื่องศรัทธาทั้งสี่ประการนี้สามประการแรกผมไม่อยากจะพูดซ้ำละแต่ประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายเรามีความเชื่อมั่นในโพธิและเราเกิดมาเพื่อที่จะผ่านพบบทเรียนต่างๆทุกบทเรียนมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะบำเพาะบ่มเพ็โพธิเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีศรัทธาสิ่งนี้ในสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราจะขอโทษนะครับเราเกิดมาเพื่อจะผ่านบทเรียนนั้นนะครับเราเกิดมาเพื่อจะทําสิ่งนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะพูดถึงครูของผมคนหนึ่งคือผมเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในช่วงที่หลวงพ่อคําเขียนท่านจากผมไปเนี่ยผมก็มีครูของผมอีกคนอีกท่านหนึ่งคือท่านลาเซรินโปเชซึ่งเป็นครูในสายวัชรยานของผมท่านก็ละสังขารจากไปเหมือนกัน ผมขออนุญาตที่จะหรือหลวงพ่อกำกับเขียนผมกล่าวไปแล้วเมื่อตะกีเนี่ยครับผมขออนุญาตกล่าวถึงครูของผมอีกคนหนึ่งคือท่านลาเซท่านลาเซเป็นลามะทิเบตวันที่ผมพบท่านและผมรู้ว่านี่คือครูของผมคือวันที่ผมนั่งสนทนากับท่านท่านลาเซนี้เป็นลามะผู้ใหญ่นะครับเมื่อตอนที่จีนเข้าไปยึดครองทิเบตนั้นแม้ท่านจะอายุไม่มากแต่ท่านก็ถือว่าเป็นผู้นํำทางจิตวิญญาณที่สําคัญจึงถูกจับ แล้วก็ถูกนำไปคุมขังแล้วก็ถูกทรมานเพื่อหวังว่าท่านจะได้เปลี่ยนความคิดไปปรับทัศนคติประมาณนี้นะครับเปลี่ยนความเห็นอย่างเงี้ยท่านอยู่ในคุกนานถึงยี่สิบกว่าปีวันที่ผมไปกราบที่ตักท่านนะขอโทษนะตักท่านเป็นตักขาของท่านนพิการเพราะท่านถูกทรมานจนพิการวันที่ผมสนทนากับท่านแล้วก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของท่านเนี่ยนะครับ เมื่อถามถึงความรู้สึกของท่านที่มีต่อชะตากรรมที่ท่านต้องถูกจับกลุ้มคุมขังไปอยู่ในที่กักกันเนี่ยนะครับคําตอบของท่านหรือคําพูดของท่านทําให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์มากท่านพูดในความหมายว่าในทุกๆชาติเมื่อตั้งเกิดมาใช้ร่างกายนี้ท่านต้องไปแสวงหาที่เพื่อบ่มเพาะให้ตัวของท่านเนี่ยนะครับมีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจ ใ น, ในหลายชาติที่ผ่านมากว่าจะหาถ้ำพบหาถ้ำเจอเนี่ยครับใช้เวลานานนะมาชาตินี้ไม่ต้องหามีคนมาจาัดสรรถ้ำให้ท่านเมื่อเราถามว่าขณะที่อยู่ในคุกงานถึงยี่สิบกว่าปีเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงที่มันเลวร้ายที่สุดคําตอบท่านคือช่วงที่ท่านปล่อยให้เกิดความรู้สึกโกรธผู้ที่ปฏิทุจะร้ายท่านคือผู้ที่ทรมานท่าน ผมผมฟังคำพูดของท่านที่แปลมาเป็นไทยแล้วผมไม่รู้จะกล่าวไอยคำใดๆที่จะบอกว่านี้คือครูที่ประเสริฐยิ่งนักที่ทำให้ผมตระหนักรู้ได้ถึงความหมายขอชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่เราเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนขอยแม่เนนโปรดทำความกระจ่างชัดนะครับว่าปัญหาทุกปัญหาและเยาวชนนี้แม่เนนกาลังช่วยเหลืออยู่นั้นนะครับคืน สิ่งที่แม่เนนบำเพ็ญมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแล้วเพื่อจะมาเจอเหตุการณ์นี้และเรารอคอยที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้มานานปัจจุบันเราได้เจอแล้วบทเรียนนี้คือบทเรียนที่เราตั้งใจปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้และปัจจุบันพบนี้ชาตินี้เราได้พบบทเรียนนั้นแล้วและผมคิดวันนี้คือความหมายที่ลึกซึ้งนะครับที่ยิ่งใหญ่ผมคงตอบได้ประมาณนี้ครับจริงๆ ค่ะจริงๆตัวนี้เองมีคําถามเยอะนะครั้งแรกจริงๆนะคะที่เจออาจารย์ประมวลก่อนหน้านั้นนะคะได้ยินมาจากวิชัยนาพัวไปร่วมเดมปัตตนีได้ยินมาจากคุณเต่งนะคะสาวของอาจารย์ก็อยากเจอเหมือนกันอยากฟังแต่ฟังแล้วโอ้โหอาจารย์สุดยอดจริงอหลายๆอย่างแต่อันนึงที่นี่อยากจะถามอาจารย์อาจารย์มาตัวที่นี่แล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์เดมมันตั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ปัตตนีอินเดียแต่และที่มีความเหมือนแตกต่างกันไห ม, มนะคะแล้วไอ้ที่อาจารย์ไปสาลจัดอยู่เนี่ยเดินธรมนธรมชาติตาที่เป็นิธรรมชาติเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมอาจารย์ต้องต้องบอกว่ายิ่งว่าใช้ได้จริงครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในสมัยหนึ่งผมกับทางกับกับแววนาตยานี่มากราบพระอาจารย์ไปศาล เราไปทำรายการฉลองอพุทธิยันตีผมกับเขาเดินทางไปอินเดียไปไหนสารพัดเดินไปที่ไหนเขาก็มีข้อสงสัยไปทั้งหมดว่าจะจบกันยังไงนี่สุดท้ายมันเต็มไปด้วยปัญหามากมายของพุทธศาสานาในประเทศไทยจานนั้นเรบอกว่าเรามาจบที่วัดป่าสุขโตพ่าอาจารย์ไพศาลหลวงพ่อคําเขียนน่าจะเป็นคาตอบจริงๆผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะอธิบายให้เขาฟังแต่ผมไม่มีความสามารถ จะอธิบายให้เขามาเองนะครับเราจึงมาจบลงที่วัดป่าสุกโสในความรู้สึกของผมที่พยายามบอกเขาสั้นๆก็คือเราต้องมองสิ่งที่มันเป็นคำตอบที่มีชีวิตไม่จะมองสิ่งที่เป็นคำตอบจากความคิดของใครคนใดคนหนึ่งและในบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันคือในตอนนั้นนะนะผมมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อคำเขียนนี่แหละคือคาตอบในประเทศไทยเรานะครับ เวลาจะมีพระภิกษุที่เรายกย่องชื่นชมเคารพ บ, บูชาเนี่ยนะครับมักจะมีสองส่วนที่แยกจากกันก็คือพระบางรูปมีความเก่งกล้าสามารถในการทํากิจกรรมในเชิงสังคมนะครับเราก็ยกย่องชื่นชมท่านว่าท่านเสียสละแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีความรู้สึกคับแค้นขุ่นโม่อยู่ในใจเหมือนกันที่เมื่อไปทํากิจเหล่านั้นแล้วมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีอะไรสารพัดที่ท่านต้องประชิญ แต่พระหล่านั้นเราก็ยกย่องชื่นชมที่ท่านเสียสละมีพระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านมีความเข้มแข็งสะอาดบริสุทธิ์ภายใน จ, ใจิตใจท่านบําเพ็ญภาวนาถ้าท่านก็อยู่ของท่านนะครับอย่างดีก็ท่านก็สอนเรื่องการภาวนาให้กับประชาชนพระแบบนี้เราก็เคารพเป็นที่สุดผมมีความรู้สึกได้ว่าทันทีที่ผมก้มลงกราบหลวงพ่อําเขียนหลวงพ่อําเขียนมีสองสภาวะสองสองความายนี้อยู่ในเนื้อในตัวท่านท่านเป็นพระที่มีความลึกซึ้ง ขอโทษนะครับในความรู้สึกของผมหลวงพ่อคำเขียนมีความลึกซึ้งที่สุดในมิติของจิตใจคําพูดของท่านสะอาดใสบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งที่มีความคิดเจือปนปรุงแต่งอะไรให้มีความขุ่นมัวเลยในขณะเดียวกันท่านมีชีวิตมีวัดปฏิบัติที่เกื้อหนุนสงเคราะห์ประชาชนโดยที่ไม่ได้มีความหวังว่าจะต้องไม่มีชื่อเสียงไม่มีความหวังมีความคิดอะไรเลยท่านทํำด้วยจิตของท่านแท้ๆและความรู้สึกแบบนี้ยผมก็จะว่าหลวงพ่อเนี่ยแหละคือคําตอบ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกับนัตยาทำรายการนี้กันจริงมาที่วัดป่าสุกระโตะเสียดายว่าตอนที่เรามาหลวงพ่อท่านสุขภาพท่านไม่ดีนะแต่นาตยาแววเนี่ยเขารู้สึกดีกับหลวงพ่อมากตอนที่เราไปนั่งสนทนากับท่านแม้จะไม่ได้บันทึกเทปอะไรแต่ผมบอกว่าไม่ต้องให้หลวงพ่อพูดหรอกให้พระอาจารย์ไปสารพูดเพราะหลวงปู่หลวงพ่อกําเกรนอาวตารมาอยู่ในพระอาจารย์ไปสารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ไปสารทำอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าทำมาญาตรานเนี่ยนะครับ พวกเราอาจจะมองว่ามันเพียงแค่สิบห้าปีนะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่คนไม่กี่คนมาเดินแต่ขอให้โปรดเข้าใจสิ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนนี้ครับนี่คือก้าวย่างที่สำคัญในมิติทางพระพุทธศาสนาของสังคมในยุคสมัยปัจจุบันผมไม่รู้จะใช้คำอะไรอื่นดีกว่านี้นะครับในประเทศไทยเรามีความหมายที่สำคัญที่เราเชื่อมโยงกันไม่ได้ก็ที่ผมว่าเนี่ยนะครับทําย่างให้การภาวนา กับการทํากิจกรรมดําเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ฉุขของประชาชนเนี่ยนะครับมันมารวมอยู่ในเนื้อในตัวของพระภิกษุและปัจจุบันพระอาจารย์เปําลังทําสิ่งนั้นอยู่นะครับทีนี้ในการทําสิ่งนี้อย่าเร่งรีบอย่าร้อนรนที่จะกอให้เกิดผลทันทีทันใดเรากําลังทําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่จเนรมิตผลให้เกิดขึ้นกับใครพูดตรงๆก็คือเราทําแบบธรรมยะตาเนี่ยครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะทําอาหารหม้อใหญ่ให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดทั้งมวลกินโดยที่เขาไม่รู้ว่าทํากันอย่างไร เรากําลังชวนคนกันมาปรุงอาหารเพื่อจะกินอาหารที่มีรสชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมเชื่อนะครับว่าการกระทําของเราเนี่ยนะครับจะมีความหมายที่ลึกซึ้งที่สําคัญและจะเป็นคําตอบให้กับสังคมไทยได้ขอให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ในวันนี้นะครับโปรดและลึกไว้ในใจโปรดตระหนักให้รู้ได้ว่าเรากําลังสร้างสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สําคัญเรามาเดินธรรมญาตราิราดวันหนึ่งก็คือภาวนาบ่มเพาะนะครับที่พระอาจารย์ไปสารพูดนะครับว่า ผลไม้มันจะไม่สามารถสุกได้ถ้าไม่อยู่ในพื้นที่าอากาศที่เหมาะสมที่มีความร้อนความอุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่เรามาเดินที่นี่นะครับโปรดระลึกนึกให้ได้นะครับว่าปัจจุบันสิ่งที่มันเป็นปัญหายากมากที่สุดสําหรับมนุษย์เนี่ยครคือเราไปเสพติดความสะดวกสบายความรู้สึกที่เรากรังเกียจเกลียดกลัวความยากลําบากกลายมาเป็นอาการของคนเสพติดความสะดวกสบายเรากําลังมาที่นี่เพื่อจะออกมาเสียจาก อาการของคนเสพติดความสะดวกสบายเรามาอยู่ที่นี่ในความหมายที่ขอโทษพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ย่อมจะมีบ้านเรือนที่อบอุ่นเป็นที่หลับนอนแต่วันนี้เราต้องมานอนอยู่ในเต็นเมื่อคืนเราก็ต้องหนีเ ม, มื่อมีฝนตกวันนี้มีหลายคนมีความคิดกันว่าเราจะไปถ่ายทุกกันที่ไหนโดยเฉพาะฝั่งผู้ชายนะครับพัดลังคิดไม่ออกว่าจะไปถ่ายทุ ก, กันที่ไหนในยามเช้าหรือยามเย็นเนี่ย ผมก็จะวันนี้คือความหมายที่สําคัญโดยที่พวกเราอาจจะคิดอะไรผมก็ไม่สามารถจะเดาได้แต่ความหมายที่กําลังเกิดปรากฏนี้นะครับกําลังทําให้เราเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะออกมาจากความความรู้สึกที่มันเป็นอาการของการเจ็บติดความสะดวกสบายนะครับและที่สําคัญนะครับผมเข้าใจว่านี้คือการเรียนรู้ครั้งสําคัญและเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องพูดด้วยถ้อยคำนะว่าดีเลิศประเสริฐสีเพียงใดแต่มันมีความหมายถึงปรากฏชัดชัดแจ้งในใจของพวกเรา แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเป็นธรรมญาตราเนี่ยครับมีความหมายครับมีความหมายที่ลึกซึ้งเรากําลังเดินไปเพื่อทิ้งร่องรอยหรือประทับรอยบางอย่างไว้ในมิติที่สําคัญของทางคมไทยนะครับแล้วมันมีความแตกต่างกับที่อื่นที่การอ่าพอพูดถึงความแตกต่างต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมีความหมายของคนที่ไปเดินนะครับของคนที่ไปเดินผมเองแม้กระต้องเดินแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยครับ มันมีความหมายที่แตกต่างกันไปแน่นอนการเดินครั้งแรกจากเชียงใหม่ไปสมุยนั้นเป็นการเดินที่ผมถึงกับตั้งจิตว่าจะเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันจบชีวิตแค่ไหนก็เอาแค่นั้นผมจะรักษาจิตของผมไม่เบิกบานแจ่มใสผมจะจบชีวิตลงณนะก้าวใดผมก็พร้อมแล้วอย่างเนี้ยนะครับก็แน่นอนนะครับหรือเมื่อตะกี้ที่ผมพูดประการเดินทางในที่เบตนะครับเป็นการเดินทางที่พิเศษมหศัศจรรย์ที่สุดผมตั้งชื่อหนังสือซึ่งเขียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คงผีหมอกมาไม่นานนี้ว่าการจาริกบนวิถีแห่งศรัทธา ผมไม่เคยคิดและไม่เคยตั้งความคิดไปก่อนเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะสามารถเดินทางบนวิถีแห่งศรัทธาเมื่ อ, อกี้พูดถึงเต้งแล้วบอกว่าเป็นสาวกผมแก้ตัวให้เขาหน่อยครับและผมขอที่จะพูดถึงเต้งหน่อยมีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับเต้งหลังนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เต้งนี่คือเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไพศาลนะครับมีพระมีหลวงพ่อกำเขียนเป็นพระอุปชาให้การอุปสมบทเต้งและวันหนึ่งเขากรลาสิกขาบทเพื่อไปเดินสู่สันติปัตตานีกับคณะของพวกเรานะครับ ผมก็อย่างสั้นๆอยู่เลยตอนนี้ก็ลาสิขาไปเดินเนี่ยนะครับและนับจากนั้นเขาก็เดินมาตลอดเดินเดินเดินเดินนะครับเดินไปปัตตานีเดินตามสายน้ําเดินไปเดินเดินยังไงจ้างขอโทษนะครับคุณแม่เขาเต้งพูดกับเต้งแล้วเขาไปเล่าใผมฟังตอนเราไปเดินสูดยอดอินทนนท์เมื่อปี55นะครับเต้งเขาปินปลารถกับผมบอกว่าอาจารย์ผมอยากปรึกษาหน่อยแม่ก็ถามผมหลายครั้งแล้วว่าอาจารย์ประมวลจะเดินไปอีกนานไหมคือ <c oughs> คือแม่แม่ของเต้งถามเต้งในความหมายวิญญามว่าลูกชายจะเดินแม่ถามเต้งว่าอาจารย์ละมณ์เขาจะเดินไปอีกนานไหมความหมายก็คือถ้าผมไปเดินเต้งก็ไปเดินดีครับแ ล, และสุดท้ายวันนั้นเรามีข้อที่ผมกับเต้งคุยกันนานวันนั้นและสุดท้ายข้อสรุปก็คือผมมีความรู้สึกผมอยากให้เต้งกลับไปอยู่กับคุณแม่ผมพูดกับเขาจากความรู้สึก จ, จริงใจที่มีต่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่ผมเชิดชูเคารพเขาในความตั้งใจของเขา ผมมีความรู้สึกว่าเดินไปสู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไม่สู่การเดินกลับไปหาแม่ไม่มีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าแผ่นดินหรือท่านที่ที่แม่เราอยู่และสุดท้ายเต้งเขาก็กลับไปอยู่กับคุณแม่เขาจริงๆครับแต่วันหนึ่งในต้นปีอ่าห้าหกเขามาพบผมจริงๆมาเพื่อจะบอกว่าเขาจะไปที่เบกับผมแต่สิ่งที่มันเป็นความหมายที่ผมรู้สึกได้คือเต้งเขามาเล่าให้ฟังว่า เขาไปอยู่กับคุณแม่แล้วก็ทําอะไรตามที่แม่ทําทุกอย่างตามที่ผมเคยแนะนํากับเขารวมทั้งดูทีวีละครหลังข่าวเขาบอกว่าเขาดูไปดูมาจนกระทั่งบางวันแม่ลืมไปเขาบอกแม่ละครมาแล้วจริงๆเขาอยากดูทีวีนะครับเขาไม่อยากไปไหนเลยในช่วงหลังข่าวแล้วเพราะเขาอยากดูทีวีแล้วเขาเล่าว่าวันหนึ่งเมื่อเขาดูทีวีหลังข่าวดูละครหลังข่าวจบแล้วก็จริงๆก็คือแยกกันไปนอนแม่ถามเขาว่า อาจารย์ประมวลยังเดินอยู่ไหมเต่งเขาก็พูดประมาณประมาณว่าก็อาจารย์ก็เดินไปเรื่อยๆนะแม่ <_ ABS> แล้วเขาก็แม่ก็ถามต่อว่าแล้วอาจารย์จะเดินไปไหนอีกเ <_ Sugar> ต้งก็บอกอาจารย์ประมวลเขาจะไปเดินรอบภูเขาไกรลาศที่ประเทศทิเบตแม่เลยถามเต้งว่าแล้วเต้องอยากไปเดินกับอาจารย์ไหมเต้งเขาก็ตอบด้วยความรู้สึกได้ทถ้งความหมายอะไรบางอย่างว่ามันต้องจ่ายเงินนะแม่ไปเดินที่ทิเบตเนี่ยแม่เลยถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เต้งอบอกว่า แสนสองหมื่นแม่บอกไปสิแม่จะออกตังค์ให้วันที่เต้งเอาเรื่องนี้ไปบอกผมเพื่อจะบอกว่าเขาจะไปที่เบตกับผมผมเข้าใจว่าการไปที่เบตไม่ได้สําคัญเลยครับแต่ความสาคัญและความหมายที่มันมีความรู้สึกได้ในความหมายของผมกับเต่งคือความรู้สึกคําพูดที่ว่าไปสิแม่ออกเงินให้อ่ะมันอาจจะเป็นคําพูดสั้นๆนะครับแต่มันบอกความหมายอะไรบางอย่าง และความหมายนั้นเป็นความหมายที่เราเคยคุยกันบนยอดดอยอินทนนท์เพราะฉะนั้นตอนที่เขาไปเดินทางกับผมที่ที่เบตนะครับผมรู้สึกได้ถึงความหมายอะไรบางอย่างที่เต้งเขามีในตัวเขาและเขามีให้กับผมผมจะเดินช้ายัางไงผมจะหยุดกี่ครั้งกี่หนเต้งเขาก็ไม่เคยเดินล้มหน้าผมผมหยุดเขาก็หยุดทุกๆครั้งทุกๆกครั้งทุก ท, กทกครั้งที่ผมหยุดผมขอโทษนะครับหยุดทันที่ผมจะขาดใจอยู่เรื่อยอะ เพราะว่าแก่แล้วแล้วก็ต้องไปเดินในพื้นที่ทึ่มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลจนกระทั่งออกซิเจนมันน้อยแล้วผมมีปัญหาผมต้องใช้ออกซิเจนช่วยแต่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกได้ขอโทษนะครับถ้าผมตายก็มีเก้งอะเต้งอะไรเป็นสักขีพยาน <c oughs> แต่มันมีสิ่งที่อยากเล่าและผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะปิดท้ายกับรายการที่เราคุยกันมันนี้เพราะเวลาจะจบแล้ว <c oughs> เมื่อเราเดินจากครบรอบเนี่ยนะครับขอโทษนะครับการเดินรอบภูเขาไกรลาศเนี่ยในความหมายเขาก็เราเดินตามเส้นทางที่มีพระทาคินีนําทางพระทาคินีนี้เป็นเทพ ที่อำนวยอวยผลคุ้มครองนำทางผู้ปฏิบัติธรรมใครก็แล้วแต่ที่เดินทางเพื่อปฏิบัติธรรมหรือจาริกไปเพื่อจะบ่มเพาะเนี่ยจะมีจะมีพระธาคินีคอยคุ้มครองนำทางชาวที่เบสก็เชื่ออย่างนั้นเพราะตอนที่เราไปเดินจาริกรอบไกลลาดเนี่ยเราจึงมีพระธาคินีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผมเองก็มีความศรัทธาเชื่อในพระธาคินีมานานแล้วพราะตอนที่เดินที่นั่นผมจึงวางใจให้พระธาคินี d n e นำทางไป เมื่อเราเดินไปจนกระทั่งใกล้จะครบรอบเนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งซึ่งมีรอยบาทของพระธากินีอาจารย์กฤษดาวันซึ่งเป็นผู้สําสคัญเพราะท่านจะเป็นผู้แปลเป็นผู้อะไรให้เราด้วยเนี่ยครับนำทางด้วยเนี่ยท่านก็ถามผมว่าผมจะหยุดประกอบพิธีคารวะรอยบาทพระทาคินีกับท่านไหมผมบอกทําสิครับอาจารย์และผมก็ร่วมประกอบพิธีบูชาพระธากินีเมื่อเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้เราไปกราบรอยบาทพระธากินีและขอพรอได้ผมก็ไปกราบ ขณะที่ผมคุกเข่าลงมีรอยบาทประชากินีปรากฏอยู่ถ้าผม ค, คุกเข่ากราบลงแบบเป็นจังคประดิษฐ์หน้าผากผมก็จะไปสัมผัสรอยบาทประชากินีผมพนมมือแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะขอพร อ, อะไรแต่ผมนึกถึงเต้ยที่ยืนอยู่หลังผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบ น, นี้อีกนานจริงๆเขาเพิ่งเริ่มต้นชีวิตถ้าผมจะ ขอพรผมอยากจะขอความหมายของชีวิตที่ผมควรจะบอกกล่าวกับเขาเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะเต้งกับใครก็ตามทีขอประชาคินีได้โปรดให้พรคือความหมายที่ผมจะสื่อสารบอกกล่าวคนหนุ่มสาวแบบเต้งเลยเถอะแล้วผมก็กราบโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้พรอะไรมากมายนะครับแต่มีความสึกวันนั้นคือความหมายขอโทษนะครับว่าผมเดินทางในวันนั้นก็เป็นวันที่ผมเดินทางครบรอบ ขณะที่ผมเดินทางอยู่นั้นนะผมจะไม่ส่งจิตออกนอกอะไรผมจะอยู่กับภาวะภายในใจของผมแต่วันที่ผมเดินไปถึงจุดๆที่ผมมองแล้วข้างหน้านั้นคือจุดที่เราเริ่มต้นก็คือพอไปถึงเนินเขาสูงลูกหนึ่งมองไปข้างหน้าก็เห็นหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดที่เราเริ่มต้นก็คือหลังจากนั้นไปผมจะเดินลงสู่ที่ต่ําแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วเพราะการเดินนี้มันจะมีปัญหาตอนขึ้นสู่ที่สูง ผมจึงรู้สึกได้ว่าผมกำลังจะเดินครบรอบเพราะตอนที่เดินไปนั้นผมวางใจว่าผมจะจบชีวิตหรือจะมีชีวิตอยู่ขอให้พระซากินีเป็นผู้ตัดสินผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นหน้าที่ของผมที่จะเลือกเป็นหรือลืตายผมมีหน้าที่เพียงแค่เดินด้วยจิตใจที่เบิกบานสงบนิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนรู้สึกว่าตัวเองจะเดินครบรอบนี่มันจึงมีความหมายอะไรบางอย่างเหมือนกันนะที่สําคัญเมื่อตอนผมมองไปสู่จุดที่มันกําลังจะครบรอบบนถนนบนไม่ใช่ถนนนะเป็น ผ, ผิวดินที่มันมือนก็ไม่มีต้นไม้เลยเหมือนกับเป็นท่เลืทรายครับ มันมีรอยเท้าคนเดินเท่านั้นเองหรรอยเท้าคนกราบไปผมเห็นคนที่เบตที่เขากราบอัดแสดงเครื่ปรดิษฐ์เป็นแถวไปเพราะเวลาเราเดินก้าวไปเนี่ยคนที่เบตเขาไปจาริกที่นั่นด้วยการกราบอัดแสดงเครื่ปริษฐ์นะครับผมรู้สึกตื่นฟันเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกที่ในขณะที่เรากําลังเดินจาริกรอบภูเขาไกรลาศด้วยความยากลําบากนั้นมีเพื่อนชาวทีเบตที่เขาทาสิ่งที่ยากกว่าเราพร้อตอนที่เดินผ่านเขาไปผมจึงยกมือไหว้ด้วยความแสดงการเคารพเขามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมยกมือไหว้ บุคคลผู้หนึ่งซึ่งกําลังกราบอยู่แล้วผมหยุดคือจะไหว้ข้างหลังก็ไม่ได้เราจะแซงใช่ไหมครับเราต้องเดินไปก่อนแล้วจึงค่อยหันหลังกลับมาแล้วก็ยกมือไหว้เขาพอเขาเห็นผมยกมือไหว้เขาเขาก็เลยหยุดกราบแล้วนั่งลงผมก็เลยต้องยืนแล้วก็มีพวกเราก็ยืนด้วยแล้วก็มีผู้หญิงสุดท้ายพอเขาปลดไอ้ส่วนที่ปิดหน้าเขาออกเขาก็เป็นผู้หญิงนะครับและสุดท้ายก็มีผู้หญิงอีกสองคนมานั่งสมทบด้วยเป็นสามคนพอเรายืนคุยกันในความหมายเหมือนกับ ถามเขาประมาณเนี้นะครับผมผมมองหน้าผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีหน้าผากหน้าผากที่มันด้านเพราะว่าเขาใช้หน้าผากนี้เป็นสัมผัสกับแผ่นดินซึ่งอาจจะเป็นทรายเป็นหิมะเป็นหินเป็นอะไรจนกระต้องด้านไปแล้วเพราะก็ต้องกราบแบบเนี้ยจนรอบภูเขาไกลราลไศรอบไปได้เนี่ยและเขอยยิ้มให้ผมผมรู้สึกได้เลยว่าขอโทษนะครับในตํานานของพระทากินีเนี่ยถ้ามีผู้หญิงชารายิ้มให้เนี่ยก็คือมาพระทากินีปรากฏกายแล้ว และมีคนพวกเราคนหนึ่งเนี่ยนะครับถามเขาว่ายากลําบากมากไหมที่มาทําอย่างนี้ที่มากราบแบบนี้นะครับผู้หญิงคนนี้หันไปฟังอาจารย์กฤษติวัสดนแปลคําถามนี้เป็นภาษาทิเบตพอฟังคาแปลเสร็จเขาหันกลับมามองหน้าผมและยิ้มให้ผมอีกผมรู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้กําลังพูดกับผมและนี่คือพรของประชาคินี ผู้หญิงคนนั้นพูดเป็นภาษาทิเบตผมไม่สามารถเข้าใจภาษาทิเบตได้แต่ผมรู้สึกได้ว่าใจของผมเนี่ยเข้าถึงความหมายเขาไปตกไปที่อกของเขาแบบเนี้แล้วก็พูดผมขนลุกวันนี้คือความหมายที่แสนมหาศาลเพราะใบหน้าเขาที่มีรอยยิ้มดวงตาเขาสุกใสที่สัมผัส ด, ดวงตาผมและเมื่อมีแปลเป็นไทยเขาแปลว่ามีความฉุกมากๆที่ได้ทำเช่นนี้ อะไรคือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตอนนี้ครับนี่คือพรอันประเสริฐสำหรับพวกเราทุกทุกคนเรากำลังมีความสุขที่ได้ทำกิจที่ยากทำกิจที่ยากแต่เราจะมีความสุขในการทำกิจที่ยากไม่ได้ถ้าเราไม่ทำให้มันเกิดความหมายในการทำกิจอันนั้นนึกถึงภาพนะครับศับตรีชาวทิเบตก็เหมือนศัตรีชาวไทยเนี่ยครับเกิดมามีเนื้อมีตัวมีความหมายเหมือนเรา ทำไมผู้หญิงเหล่านั้นจึงสามารถกราบอัดแสดงก้าพระดิษฐ์ไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะกราบไปอีกสักกี่วันแต่เขามีความสุขที่ได้ทําเช่นนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะทําไปสักนานสักเท่าไหรเพราะขณะที่เราเดินไปนี่เราเร็วนะครับแต่คนที่เขากราบนะครับเจ้าว่าเราเยอะและสิ่งนี้เป็นสิ่งมหาศจาลที่เขากราบจนหน้าผากด้านแล้วก็สบออกว่ามีความสุขะครับความหมายที่มันสําคัญสําหรับพวกเราทุกๆคนในปัจจุบันนี้คือเรามีความรู้สึกถึงความคับแคนขัดเครื่อง เราต้องเผชิญกับความยากลําบากถ้าเราไม่รู้ว่าจ ะ, ะเผชิญความยากลำบากนั้นไปทําไมเรามีคําถามกับสิ่งที่มันยุ่งยากในใจเราว่าทําไมเราต้องมาเจอสิ่งนี้เมื่อ ก, กี้ผมจึงตอบ <c oughs> แม่เนร เ, เนี่ยครับว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้่ครับแม่เนร เ, เกิดมาเพื่อดูเด็กปเด็กกําพร้าเกิดมาเพื่อจะดูแลเด็กที่เขาได้อโอกาสเหล่านี้ครับไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาเกิดมาเพื่ออะไรอื่นเลยครับแม่เนร เ, เกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ และปัจจุบันแม่น็ไดทำสิ่งนั้นแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากแม้นใครกําลังประเจริญกับอะไรอยู่และสิ่งนั้นมันเป็นความยุ่งยากโปรดแล้ลึกนึกถือตว่าเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้นครับและถ้าทันทีเรานึกได้เช่นนี้นั่นแหละครับคือความหมายของศรัทธานั่นแหละครับคือความหมายของสิ่งที่มันเป็นพระและเป็นอินทรียที่จะทําให้เรามีพลังในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆโดยไม่มีความเครือบแคลงสงสัยและไม่มีความวิจิกิจฉาเข้ามา ทำให้เกิดความขุ่นมัวขัดข้องและเชื่อเถอะครับว่าทันทีที่เรามีศรัทธาพระวิริยะพระมันก็จะเกิดและสิ่งต่างๆก็จะตามมานะครับสุดท้ายพระกําลังอินทรีย์ที่เราบมเพาะก็จะงอกงามไผ่บูญผมคิดว่านี้คือภารกิจที่ผมรับพรมาจากพระจ่ากินนี้แล้วผมไม่ได้บอกเพียงแค่บอกเต้งนะเพราะเต้งกับผมก็สนิทกันนะครับแต่ผมคิดว่าผมควรจะทําหน้าที่นี้บอกพวกเราทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับว่าความหมายที่ประเสริฐที่เราเรียกว่าพรอเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ใจของเรา ที่เราจะสามารถนะครับทําสิ่งยากๆต่างๆในชีวิตของเราได้ได้วยความสุขสุขที่ได้ทําสิ่งนั้นขอโทษนะครับถ้าเราเกิดมาแล้วมีลูกที่เขาไม่ได้ดังใจเราเราก็เกิดมาเพื่อจะเป็นแม่เพื่อดูแลลูกคนนี้ครับถ้าเราเกิดมาแล้วเจอคู่ชีวิตที่มันไม่ได้ดังใจก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อจะบ่มพเพาะบําเพ็ญที่จะดูแลคนๆนี้นะครับไม่มีอะไรอื่นไปมากกว่านี้อีกแล้วครับแล้วโปรดทําสิ่งนั้นแต่ครับทำด้วยความสุขตกอกของเราด้วยความสุขและผมเข้าใจว่านี้คือความหมาย แม้กระทั่งพวกเราที่มาที่นี่วันสองวันที่ผ่านมาผมเดินอย่างมีความสุขเพราะผมมีความรู้สึกว่าได้วันนี้คือการกําลังแทนคุณครูครูที่ผมเครารพรักเป็นที่สุดวันที่หลวงพ่อลาสังขารและผมมากราบสรีระสังขารท่านผมนั่งอยู่ต่อหน้าโรงศพท่านและมีข้อความที่ท่านเขียนเป็นข้อความสุดท้ายผมอ่านข้อความนะนะนั้นนล้ําตาผมไหลออกมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่คือครูที่เรามีบุญละเกิน มีบุญเป็นที่สุดที่เราเกิดมาแล้วพบพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นที่มีความสะอาดบริสุทธิ์แม้ชีวิตที่มีอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเราเพราะเราท่านรู้ว่าเราอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจึงมีชีวิตอยู่แต่วันหนึ่งท่านก็ฝืนสังขารไม่ได้ท่านจึงกลาบลาขอลาแล้วความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความงดงามในชีวิตชีวิตของพวกเราที่กําลังจะรุ่งกลัวว่าวันหนึ่งเราต้องตายโปรดมองไปที่หลวงพ่อคาเขียน แล้วพวกเราจะข ค, คลายความกลัวตายครับและเราจะรู้เลยว่าความหมายอันยิ่งใหญ่ธรรมะที่ถูกเปิดเผยโดยหลวงพ่อไม่ใช่เปิดเผยผ่านถ้อยคําที่ต้องกล่าวเป็นคําำนะครับเ ป, เปิดเผยเปิดเผยผ่านชีวิตของท่านและนี่คือความหมายที่ผมอยากจะกล่าวกับทุกท่านในคืนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผม <S <S เป็นการให้เกียรติมาก <S <S <S <ๆ>มเพราะทุกท่านก็ต่างก็มีความรู้มีประสบการณ์มากมายผมมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ท่านอุตชห้เกียรติผมมานั่งบนที่สูงกว่าท่านก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ครับก็เออก็ไม่เชิงเป็นคําถามนะครับพอดีเมื่อเช้าตอนที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับทางรายการผมเดินอยู่ข้างๆนะครับก็มีความประทับใจในบทสัมภาษณ์ที่อาจารย์พูดถึงว่าการเดินให้อะไรกับอาจารย์ในความหมายของความเป็นครูนะครับผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยผมก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยแบ่งปันให้คณะได้ทราบด้วยอาจจะเป็น ก่อนที่จะออกรายการนะครับเราจะได้ฟังบทตรงนั้นก่อนเพราะว่าความหมายของความเป็นครูเนี่ยผมว่ามันคืออนาคตการศึกษาของประเทศไทยนะครับถ้าครูของเราทุกคนเนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีการคิดอย่างที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์ที่ผมเดินอยู่ข้างอาจารย์ประชาชาเนี่ยผมผมจำไว้ตอนนี้ผมก็ปรารถนาที่จะให้พวกเราเนี่ย ได้ฟังตรงนั้นด้วยเพราะว่าผมว่านี่จะเป็นประโยชน์กับกับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับที่ถทำคำถามนี้เดี๋ยวผมเล่าที่มานิดหนึงครับพอดีช่องที่ผ่านมาเมื่อวานและวันนี้เนี่ยครับคุณประสานซึ่งตอนนี้ก็ทํารายการให้กับไทยรัฐทีวีเขากําลังทํารายการที่ว่าด้วยการศึกษาและเมื่อเขาปรึกษาผมผมก็คุยกับเขาในความหมายว่าการศึกษาที่เป็นเชิงความคิดเป็นทฤษฎีมันมีมากพอแล้ว ผมอยากให้ทําการศึกษาในความหมายที่มันมีชีวิตจิตใจคล้ายๆเหมือนกับที่เราพูดถึงว่าธรรมะที่เป็นคําพูดอะมันเฟ้อแล้วมันมากแล้วมันมีหนังสือมีผู้กล่าวไว้เยอะแล้วเราอยากจะสัมผัสธรรมะที่เปิดเผยแบบชีวิตแบบหลวงพ่อคําเขียนผมนึกแบบนี้นะจึงไปกปล่ากับเขาว่าอยากจะการศึกษานี่มันมีความหมายที่สําคัญอยู่ที่สําคัญอ ย, ญอยู่ความหมายของผมก็คือผมพูดกับเขาเป็นภาษาบาลีนิดหนึ่งผมบอกว่าทําอย่างไรที่มันมีสิกขาวาวตาคือความเคารพ ในการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในเนื้อในตัวในจิตใจของผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเขาพูดไปแล้วเขาก็เห็นด้วยหรือยังไงก็งไม่ทราบเขาก็เลยกลับมาผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทําแต่อาจารย์เป็นคนแรกที่ผมจะขอทําเพื่อจะได้เป็นต้นแบบได้ไหมผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เมื่อผมเป็นคนแนะนําเขาและเขามาย้อนอย่างนี้ผมก็ต้องต้องยอมรับเขานะครับสุดท้ายเขาก็เลยเดินทางไปกับผมหลายที่แล้วนะครับเพื่อจะดูว่าคือผมพูดกับเขาในความหมายว่าผมไม่ได้เป็นครูในเชิงอาชีพแล้วในปัจจุบัน แต่วันที่ผมลาลูกศิษย์ของผมทุกคนลาในความหมายที่ลูกศิษย์ของผมยังมีความประสงค์ที่จะให้ผมเป็นครูอยู่ต่อไปผมก็บอกกับลูกศิษย์ของผมเหล่านั้นว่าความเป็นครูในตัวในเนื้อตัวผมจะยังมีอยู่ผมยังยังเป็นครูอยู่ตราบเท่าที่ชีวิตของผมที่มีอยู่และเมื่อพวกคุณมองมาที่ชีวิตของผมและคุณมีพลังที่จะเรียนรู้ชีวิตของผมได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณฝ่าฟ้าหาความรู้ผมก็ยังเป็นครูอยู่ตราบใดแต่แม้ผมยังรับราชการเป็นครูอยู่ แต่ชีวิตของผมไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้เป็นพลังในการเรียนรู้ไม่ได้ทําให้คุณเกิดความเคารพในการศึกษาความเป็นครูของผมก็ศูญสลายหายไปแล้วแม้ผมจะประกอบอาชีพครูเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณประสานคุยกับผมในตอนเช้าพูดถึงการเดินความหมายของผมก็บอกผมมาการเดินครั้งนี้เพื่อจะมาเคารพครูของผมครูที่ผมเคารพเป็นที่สุดและตอนเดินของเราจริงๆนี่คือการศึกษาเราไม่ได้มีความรู้ที่จะไปแบ่งปันมอบให้กับใครเราทุกคนต่างมารวมเรียนรู้จากกันและกัน ที่สำคัญการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สําคัญนะครับการเรียนรู้ชีวิตจริงกับธรรมชาติการเรียนรู้ชีวิตจริงของเราที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกันพอดีที่คุยมันมันมีประเด็นก่อนหน้านั้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะจริง้ความหมายของผมก็จึงบอกให้คุณประสานทราบว่าในขณะที่ผมมาเดินอยู่นี้นะครับจริงๆกับพวกเราที่เดินกันเราอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้นะครับแต่เราก็ต่างเป็นครูของกันและกันเราต่างเรียนรู้ขึ้นกันและกันเรียนรู้จักกันและกันท่านทราบไหมครับ เมื่อตอนที่มีพวกเราคนหนึ่งยืนอยู่เพื่อจะบอกคนที่เดินมาข้างหลังว่ามีแก้วระวังนะผมผมรู้สึกดีเป็นที่สุดที่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเดินไปก่อนแล้วก็หยุดยืนขวางไม่ให้พวกเราเดินในบนพื้นถนนที่มันมีแก้วตกอยู่ชีวิตของเราเราต้องการคนแบบนี้และชีวิตของเราเรากำลังทําสิ่งนี้และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาาัศจรรย์ คนคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้และก็จะไม่เสียเวลาแต่เขาหยุดเพื่อเพื่อจะบอกว่าบนผิวถนนมีแก้วแล้วก็รู้ว่ามีเพื่อนบางคนเดินเท้าเปล่าผมไม่มีคำพูดที่จะบรรยายสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์นี้บนถนนแห่งการเดินธรรมยถ า, าครั้งนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาแล้วเห็นภาพนี้จะมีความรู้สึกได้ ถึงความหมายที่พระอาจารย์ไปสารพูดว่าเราเดินร่วมกันเพียงเจ็ดเก้าเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วความรู้สึกแบบเนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่านี่คือการเรียนรู้ที่สําคัญและการเรียนรู้แบบนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเข้าถึงความรู้จริงๆขอโทษนะครับผมพูดบคุณประสานก่อนหน้านั้นว่าในสมัยที่ผมเป็นครูอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นผมมีความคิดเรื่องต่างๆและผมก็บอกลูกศิษย์ผมเสมอว่าสิ่งนั้นดีอย่าทำเถอะริ่งนี้ชั่วยอย่าไปทํำมนเลย แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจผมก็คือขณะที่ผมพูดกับสิท์เช่นนั้นะผมรู้สึกละอายแก่ใจทั้งที่ผมรู้ด้วยความคิดอยู่แล้วว่าสิ่งนี้ชั่วไม่ควรทําแต่ผมก็ยังเผลอทําอยู่ผมรู้ด้วยความคิดว่าสิ่งนี้ดีแต่ผมก็รู้สึกอึอดอัดขัดข้องลาบากเป็นจริง น, นักที่จะทำสิ่งที่มันดีนั้นผมรู้สึกได้ถึงความหมายของผมว่าทําไมผมจึงยังรู้สึกยากลําบากที่จะทําความดีเพราะผมรู้ด้วยความคิด ผมยังไม่ได้รู้รยานบบที่หลวงพ่อคำเขียนพูดตอนที่แสดงทำเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันตรงนี้ยานยานความรู้ที่มันไปามาเป็นพลังพลังที่จะทําให้เราเนี่ยครับงดเว้นสิ่งที่มันเป็นความชั่วคือการเบียดเบียนผู้อื่นและความรู้ที่ทําให้เรารู้ว่ความดีมันมีอยู่ในตัวเราและเราจะทํามันโดยที่เราถึกมีความสุขที่ได้ทํา เาะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคุยคุณประสานบทสัมภาษณ์ที่เราคุยกันมาอาจจะไม่ตรงกับที่ผมเล่านี้เป๊ะนะครับแต่ความ ห, หมายของผมคือคุยในประเด็นที่ว่านี่คือการเรียนรู้นี่คือการเป็นครูที่เราต่างก็เป็นครูซึ่งกันและกันในความหมายประมาณประมาณนี้และผมเชื่อนะครับผมเชื่ออย่างสุดจริตใจว่าถ้าเมื่อใดที่เรามีกระบวนการเรียนรู้ในความหมายนะครับที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิด นะครับทำให้สิ่งที่มันเป็นความรู้มันเป็นญาณเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยนะครับผมก็จะว่าความรู้แบบนั้นนะครับเป็นความรู้ที่เราปรารถนาและเป็นความรู้ที่จะเกื้อกูลทั้งต่อตัวเราเองเป็นผู้รู้และเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราครับปัจจุบันที่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือมีคนความรู้ซึ่งเป็นความรู้ซึ่งผลิตขึ้นด้วยความคิดเรารู้สารพัดเค่ทุกเรื่องทุกอย่างนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตไปในหนทางอันเป็นที่มาแห่งความหมายของความรู้นั้น พะะ่ผมก็เลยคุยกับคุณประสานมาตลอดนะครับว่าปัจจุบันผมมีความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งแม้ผมจะไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นครูแล้วก็คือผมยังมีความรู้สึกว่าชีวิตของผมก็ยังมีความหมายที่ในเป็นครูในมิติที่จะสัมพันธ์กับจิตของผมได้อยู่นะครับก็คงเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่อาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับเพราะเรื่องมันเป็นโครงสร้างที่ก่อนก้างใหญ่และผมนํามาตอบในเวลาสั้นๆแต่ก็อยากจะบอกทุกท่านเพียงแค่ว่าความหมายที่ผมพูดคุยไป น, นั้นก็เพียงเพื่อสื่อสารสิ่งที่มันเป็นความหมายของการเคารพ ความหมายที่ผมต้องการจะบอกทั้งหมดก็คือเพื่อจะบอกว่าหน้าที่ของครูก็คือทําให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับมีความเคารพในการศึกษามีพลังที่จะศึกษาถ้าเมื่อใดที่เราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องการบังคับนะครับไม่มีทางหรอกครับที่ใครจะบังคับใครให้ศึกษาได้มีแต่คนแต่ละคนทุกๆคนต่างต้องมีพลังที่จะเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นครูคําถามหลังกณฑ น, นั่นมาอาจจะไม่ได้เดินฝังแล้วนะเพราะผมม า, มานั่งคุยกันตอนที่เราพักทานาอ า, า, นาหารกันแล้ว อ่าผมมีความรู้สึกได้นะครับว่าการศึกษามันจะไม่เกิดเลยนะครับถ้าในใจของเราเราไม่มีความรู้สึกใครที่จะได้รับการศึกษาหรือใครที่จะเรียนรู้ทีนี้ความรู้สึกว่าใครที่จะเรียนรู้เนี่ยครับบางครั้งบางคราวมันเกิดเองไม่ได้นะครับด้วยความจําเป็นนะครับเราต้องมีบุคคลที่จะมากระตุ้นให้คนแต่ละคนใครใ น, ในการเรียนรู้ซึ่งครูต้องทําหน้าที่นี้ครับผ ม, ผมพยายามจะทําหน้าที่นี้เท่าที่ชีวิตผมพอจะทำได้เล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆนะครับไม่ได้สามารถทําอะไรได้มากมายนักขอบคุณนะครับที่มีคําถามนี้ Thank you.